พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเบตาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม19สิงหาคม2500เรื่องจาขบาบารมี ธรรมะเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลถ้าใครเชื่อและปฏิบัติตามก็จะต้องได้รับผลดีจริงๆอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยใครใฝ่ใจในทางโลกเมื่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็จะต้องสำเร็จในทิฏฐธรรมนิการธประโยชน์ใครใฝ่ใจในทางธรรมเมื่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็จะต้องสำเร็จ ในสัมปรายิกาถประโยชน์ 2. นักศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ส่างก็แสดงตนว่าเป็นนักเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็มิใครจะมีใครสนใจและประพฤติตามในข้อปฏิบัติของพระองค์อย่างจริงจังถ้าเป็นนักเหตุผลจริงก็จะต้องเชื่อในเหตุผลนั้นและเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะต้องได้รับผลสมความมุ่งหมาย แต่นี่ก็คว้าน้ำเหลวไม่เห็นมีอะไรติดกำ ม, มือมาสักอย่างฉะนั้นคำที่ว่านักเหตุผลเหตุผลนั้นก็ไม่ใช่ความจริงเพราะจริงอยู่ในเรื่องของคำที่พูดเท่านั้นไม่ใช่จริงในเรื่องของการกระทำามในเรื่องของธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากรรมมัสโกมหสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน กรรมดายาโดเราเป็นทายาทที่จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสองคำนี้เป็นสิ่งที่จะหนีจากความจริงไปไม่ได้เลยเป็นเหตุผลที่ตายตัวอันจะหาคำใดมาแย้งอีกไม่ได้คำใดที่บุคคลได้กระทำไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเมื่อทำไปแล้วเขาย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นในวันหนึ่งผลของกรรมไม่หนีไปไหน เหมือนกับน้ำในทะเลถูกแดดเผากลายเป็นไอระเหยขึ้นไปบนอากาศเมื่อรวมกันมากๆเข้าวันหนึ่งก็จะต้องกลับเป็นฝนตกลงมาในทะเลตามเดิมที่มันจะเลยออกจากนอกฟ้าป่าหิมพผ่านไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้สเหตุและผลเป็นของคู่กันสุขกับทุกข์ก็คู่กันความเจริญและความเสื่อม ก็เป็นของคู่กันโลกเรานี้เมื่อมีการเจริญถึงที่สุดแล้วก็จะต้องมีการเสื่อมชีวิตของคนและสัตว์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจเจริญเต็มที่แล้วก็เสื่อมสิ้นทุดโสมตายไปแต่ตายแล้วจะไปไหนเล่าไม่มีใครสามารถจะมองเห็นจะกลับมาอยู่ที่เดิมอีกหรือไปไหนต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ห้า สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ดํารงตัวอยู่ได้ด้วยการสืบต่อที่เรียกว่าสันตติเช่นคนเราเกิดมาตอนแรกก็เป็นเด็กทารกไม่รู้เดียงสาอะไรเลยต่อมาก็ค่อยๆเติบโตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นคนแก่และในที่สุดก็ต้องตายเมื่อตายแล้วผู้ใดทํากรรมดีหรือชั่วไว้กรรมนั้น ก็เป็นเหตุทำให้ผู้นั้นมาเกิดมีชาติมีพบใหม่ต่อๆไปอีกตามปัจจัยหรือวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมที่ตนกระทำไว้เช่นทำกรรมดีก็ไปเกิดในสถานที่ดีทำกรรมชั่วก็ต้องไปสู่สถานที่ชั่วได้เสเวยผลสุขทุกตามเหตุที่ตนกระทาไว้นั้น 6. ความเจริญและความเสื่อมเป็นของคู่กันไป ในโลกนี้บางทีเสื่อมอยู่หน้าจเจริญก็ตามมาข้างหลังเสื่อมอยู่ซ้ายจเจริญก็อยู่ทางขวาชีวิตของคนเราบางคนก็จเจริญตั้งแต่เริ่มอยู่ในวัยเด็กบางคนก็ไปจเจริญเมื่อกลางคนบางคนก็ไปจเจริญเอาเมื่อแกของเก่าเสื่อมไปของใหม่ก็มาแทนที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่เช่นนี้ตลอดกาลมา ถ้าคนเราไม่มีอาการสืบต่อชีวิตก็คงดำรงอยู่ไม่ได้7อาการสืบต่อนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆก็เช่นฝ่าเท้าของเรานี้เราได้ใช้เดินมาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นเวลาคนละหลายสิบปีถ้าไม่มีอาการสืบต่อของหนังกาพร้าที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วเท้าของเราก็คงจะสึกเข้าไปถึงหัวเข่าเป็นแน่ เมื่อเห็นอาการสืบต่อหมุนเวียนของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เบื่อหน่ายในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราเองที่มาหมัวเมาหมกมุนหมุนเวียนอยู่กับสุขทุกข์ในโลกนี้เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเราก็จะได้คลี่คลายจากอารมณ์นั้นๆหันไปใฝ่ใจทางธรรมจึงเป็นเหตุให้หวนคิดถึงชีวิตตายแล้วเราจะไปไหนเล่าผู้ที่คิดได้เช่นนี้ ก็ได้ชื่อว่ามีสายตายาวเมื่อสาวไปถึงชีวิตก็มีแต่เปล่าประโยชน์ดังนี้แล้วก็เป็นเหตุให้นึกถึงบุญกุศลมีการเสียสละวัตถุภายนอกอันเป็นความสุขของโลกเสียได้การกระทาหรือกรรมอย่างนี้เรียกว่ากุศลกกรรมความดีเป็นตัวเชื้อในผลของกรรมที่จะดำไปเกิดนอกจากนั้นยังทราบว่าเหตุดี ก็จะต้องได้รับผลดีตามอีกด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสิ่งของทั้งหลายในโลกมันเป็นศัตรูแก่ดวงใจของเราถ้าเราไม่มีการเสียสละมันก็จะต้องนำความทุกข์มาให้เราในวันหนึ่งดังนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสละสิ่งทั้งหลายเสียซึ่งผลแห่งการเสียสละนั้นก็จะนำความสำเร็จประโยชน์มาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า การเสียสละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริจาคนี้มีอยู่เป็นสองประการคือการบริจาคทรัพย์หรือวัตถุภายนอกเป็นหลักของโลกอย่างหนึ่งและการบริจาคทรัพย์หรือวัตถุภายในเป็นหลักของธรรมอย่างหนึ่งบุคคลที่บริจาคทรัพย์ภายนอกได้ก็เท่ากับนาเงินไปฝากไว้ในธนาคาร และได้ดอกเบี้ยอินเรื่อยๆการเสียสละทรัพย์ภายนอกซึ่งเป็นของชอบใจของเรานี้ดูก็จะเป็นการขัดใจมากอยู่สักหน่อยเช่นบุตรภรรยาหรือสามีของเรานี้บางคนก็เข้าใจว่าเป็นบุตรของตนจริงๆเป็นภรรยาของตนจริงๆและเป็นสามีของตนจริงๆถ้าสิ่งเหล่านี้ต้องวิบัติพัดพรากจากตนไปเมื่อร่ ก็เกิดความเสียใจแทบไม่เป็นอันกินอันนอนคนเรามีทั้งนึกผิดและเข้าใจผิดฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความหลงเมื่อหลงมากๆเข้าในที่สุดก็ต้องนั่งน้ำตาไหลเมื่อแก่เกาจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีสามีภรรยาสองคนอยู่ด้วยกันมานานยังไม่เคยมีบุตรต่อมา ก็มาเกิดบุตรสองคนเป็นชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งสองสามีภรรยานั้นก็มีความหลงรักใคร่ในบุตรของตนเป็นอย่างยิ่งลูกผู้หญิงภรรยาก็ว่าเป็นลูกของตัวตัวจะเป็นผู้เลี้ยงเองส่วนลูกผู้ชายสามีก็ว่าเป็นลูกของตนตนจะเป็นผู้เลี้ยงเองตกลงก็เลยแบ่งกันเลี้ยงคนละคนทางฝ่ายลูกผู้หญิงนั้นภรรยาก็คิดว่า เมื่อเราเลี้ยงดูเขาจนโตเป็นสาวแล้วเราก็จะให้แต่งงานกับผู้ชายที่มีหลักฐานแล้วต่อไปวันข้างหน้าลูกสาวของเราก็คงจะได้หาลูกเขยมาช่วยเลี้ยงดูเราเมื่อแก่ข้างฝ่ายสามีก็คิดว่าลูกชายของเรานี้เราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดจะให้เขาศึกษาเล่าเรียนให้มีวิชาความรู้เต็มที่แล้วพอโตเป็นหนุ่ม เราก็จะหาภรรยาให้เป็นหลักฐานเมื่อเราแก่ชราทุกพลภาพไปแล้วลูกชายของเราก็จะได้พาลูกสะพ้มาช่วยปรนิบัติเราในวันข้างหน้าต่างคนได้หมายมั่นที่จะพึ่งบุตรของตนอย่างเต็มที่ก็เกิดความรักในบุตรทั้งสองศิีลืเกินอุตสาหนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอันดีจะออกจากบ้านไปไหนไหนก็ไม่กล้าทิ้งไว้ให้ใครดู จะต้องหอบเอาเสื้อผ้าห่อหิ้วบุตรของตนผูกติดหลังไปกับตัวด้วยยรุงตุงนังเหมือนกับตัวลิงที่มันเอาลูกห้อยไว้ข้างหลังฉะนั้นวันหนึ่งสองสามีภรรยาได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแสดงธรรมณละแวกบ้านตำบล น, นั้นก็มีความยินดีจึงชวนกันหอบลูกน้อยทั้งสองผูกติดหลังไปฟังธรรมของพระองค์ด้วย พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นสามีภรรยาพร้อมทั้งบุตรน้อยทั้งสองคนนี้แล้วก็ทรงอย่างทราบในพระาญาณได้โดยตลอดว่าบุตรทั้งสองของเขานั้นแท้จริงเคยเป็นเจ้าหนี้ของสามีภรรยาคู่นี้มาแต่การก่อนและได้จองเวรจองกรรมกันไว้จึงต้องตามมาทวงหนี้ในชาตินี้เมื่อสามีภรรยานั้นคลานเข้าไปถวายนมัสการพระพุทธเจ้า พระองค์จึงได้ตรัสถามว่าเด็กทั้งสองที่ผูกหลังไว้นั้นเป็นอะไรกับเธอสามีภรยาก็ทูลตอบว่าเด็กสองคนนี้เป็นบุตรชายและบุตรหญิงแห่งข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามต่อไปอีกว่าเด็กสองคนนี้เธอคิดว่าเป็นลูกของเธอจริงๆหรือสามีภรยาก็ทูลตอบว่าเขาเป็นบุตรของข้าพเจ้าจริงๆ พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามอีกว่าเธอทั้งสองมีความรักในลูกสองคนนี้มากนักหรือจึงได้ผูกติดตัวมาด้วยสองสามีภรรยาก็ทูลรับสารภาพว่าข้าพเจ้ารักเขามากที่สุดเมื่อพระองค์ได้ทรงอย่างทราบในผลของกรรมอดีตแห่งสามีภรรยากับเด็กน้อยคู่นั้นแล้วก็ทรงโปรดเทศนาเป็นคติให้เขาทั้งสองได้ฟังแล้วเก็บไปคิด พิจารณาถึงตัวเพื่อจะได้สละละเสียซึ่งความรักความหวังและความยึดถืออันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ในวันข้างหน้าว่าสิ่งใดที่เป็นของรักสิ่งนั้นย่อมจะเป็นศัตรูแก่ดวงใจจึงควรสละสิ่งนั้นเสียแล้วตนเองก็จะมีความสุขแต่ด้วยผลของกรรมปิดบังไว้ก็ทำให้คนทั้งสองหาเข้าใจ ในข้อความที่พระองค์แสดงนั้นไม่เมื่อเลิอกจากฟังธรรมแล้วก็พาลูกทั้งสองกลับมาบ้านต่อ น, นั้นไปสามีภรรยาคู่นี้ก็ตั้งหน้าธนุอำรุงบุดน้อยทั้งสองเป็นอันดีได้ทุ่มเททรัพย์สินเงินทองเป็นอันมากเพื่อจะให้บุตรของตนได้มีวิชาความรู้อย่างเต็มที่ส่วนผลแห่งกรรมเก่าของสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ติดตามเข า, เขาเข้ามาเป็นลำดับ จนกระทั่งถึงวาระที่บุตรทั้งสองเจริญไหวขึ้นลูกผู้หญิงนั้นครั้นเติบโตเป็นสาวขึ้นก็ไปคบหาชอบพอกับผู้ชายซึ่งเป็นพวกฝูงโจรปล้นสะดมส่วนลูกผู้ชายพอโตเป็นหนุ่มก็เกิดไปชอบพอรักใคร่กับผู้หญิงสาวซึ่งเป็นพรรคพวกกับฝูงโจรอีกจนในที่สุดลูกผู้หญิงก็ได้ไปเป็นลูกสะใภ้ของพวกโจร และลูกผู้ชายก็ได้ไปเป็นลูกเขยของพวกโจรทั้งสองได้ไปมาหาสู่กับพวกโจร น, นั้นอยู่เสมอก็เก็บความลับในบ้านของบิดามารดาไปบอกเล่าให้แก่พวกโจรรู้หมดข้างฝ่ายบิดามารดาก็ยังตามืดหลงรักลูกของตนอยู่จึงหารู้สึกในความเป็นภัยอันตรายนั้นไม่บุตรทั้งสองนั้นก็ยังไปมาติดต่อกับบ้านพ่อแม่ของตน อยู่เป็นครั้งเป็นคราวการเวลาล่วงมาสองสามีภรรยาก็มีความแก่ชาราลงไปทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้พึ่งพาอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบุตรทั้งสองของตนนั้นเลยอยู่มาเย็นวันหนึ่งสองตาใหญ่นั้นกลับจากธุระไปทวงหนี้ทวงสินเข้ามากว่าจะถึงบ้านก็พบค่ําพอดีทั้งสองคนมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอย่างยิ่ง ก็ต้องเดินกลาแดดออกจากบ้านไปวันยังค่ําตั้งแต่เช้าจนเย็นก็รู้สึกอ่อนเพลียเป็นอันมากทั้งหิวก็หิวจะเข้าไปหาข้าวกับในครัวกินก็ไม่มีข้าวติดก้นหม้อเลยสองตายายก็ต้องจัดแจงก่อไฟตาเป็นคนหุงข้าวส่วนยายก็ไปหาผักมาต้มแกงด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยเป็นอย่างยิ่งก็ทําให้สองตายาย เกิดความทุกขเวทนาจนน้ำตาตกนั่งกินข้าวไปพลางก็ร้องไห้ไปพลางต่างคนต่างหันหน้าปรับทุกขันว่าเราไม่นึกเลยว่าแกเท่าลงแล้วเราจะต้องได้รับความทุกขยากลำบากถึงเพียงนี้หวังพึ่งลูกสองคนก็หาเป็นไปตามความปรารถนาไม่ทรัพย์สินเงินทองก็กอบโกยให้เขาจนหมดเนื้อหมดตัวต่อไปนี้ เราจะทำอย่างไรกันสองตายาย่ก็ได้สติรู้สำนึกตัวในความหลงรักบุตรจนต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากใจถึงเพียงนี้ต่างก็พากันระลึกขึ้นได้ถึงถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ตนฟังตั้งแต่ครั้งสมัยที่บุตรทั้งสองยังเยาว์วัยเมื่อประสบความจริงเข้ากับตัวเองดังนี้แล้วก็เลยคลี่คลายความรักความหลง ในบุตรทั้งสองออกจากใจได้ทันทีพอรุ่งขึ้นเช้าจึงชวนกันเดินทางออกจากบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพระเชตวานารามได้สารภาพความผิดต่อพระองค์และเล่าเรื่องราวที่เป็นมาแล้วนั้นถวายจนสิ้นเชิงพระพุทธเจ้ายัางทรงจําคนทั้งสองได้ดีก็โปรดเทศนาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจนคนทั้งสอง มีความแจ่มาจากระจ่างในตนเองก็ทูลขอปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะและขอถึงพระไตรสระคมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต่อจากนี้สองตายหย่ก็หมั่นมาวัดฟังธรรมเจริญทานศีลภาวนาไม่ได้ขาดสละเสียซึ่งความรักใคร่หลงไหลในบุตรทั้งสองไม่เกาะเกี่ยวยึดถือเหมือนเช่นเดิมอีกต่อไป ตั้งหน้าแต่บำเพ็ญบุญกุศลให้ตัวเองอย่างเดียวสองตาใหญ่ก็มีจิตเบิกบานแจ่มใสได้รับแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกทีกท่วาราตรีการเมื่อได้ภาคเพียรแก่กล้าในกรรมฐานดวงจิตก็หลุดพ้นจากความยึดถือได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ในที่สุด 10. อดีตนิทานเรื่องนี้แสดงถึงส่วนกรรมและผลของกรรม ที่บุคคลทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะกรรมเป็นของของตนไม่มีใครอื่นจะรับแทนกันได้เมื่อสองตาใหญ่ได้เป็นลูกหนี้แล้วไม่ใช้เงินให้เขาเขาจองเวรไว้เขาก็ต้องตามมาทวงของเขาไปจนกว่าจะหมดถ้ายังใช้ให้เขาไม่หมดตนก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากกรรมนั้นได้เหตุนี้ท่านจึงทรงสอนให้เรา มันทำบุญทำกุศลไว้เพื่อใช้นีิเวนกรรมที่เรามองไม่เห็นให้มีการเสียสละทรัพย์ของตนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นทานแก่คนอื่นเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทานหรือการบริจาคของสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่จิตใจให้ทําลายหรือสละสิ่งนั้นเสียแล้วผู้นั้นก็จะได้ความสุข เป็นการตอบแทนการบริจาคนี้มีอยู่สองอย่างคือการบริจาคทรัพย์ภายนอกอย่างหนึ่งและทรัพย์ภายในอย่างหนึ่งทรัพย์ภายนอกเป็นของของโลกเป็นของกลางอยู่ๆก็อย่าไปถือว่าเป็นของของเราเพราะมันจะอยู่กับเราตลอดไปนั้นไม่ได้มันจะต้องยักย้ายถ่ายเทเมื่อไปอยู่กับคนเขาก็ถือว่าเป็นของของเขาเช่น บุตรภรรยาสามีและทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ย่อมจัดว่าเป็นทรัพย์สินภายนอกทั้งสิน้นใครหลงรักใคร่ยึดถือไว้ว่าเป็นของของตนก็ย่อมจะเป็นภัยแก่จิตใจของผู้นั้นหาความสุขไม่ได้ดังนี้ท่านจึงกล่าวเป็นคติไว้ว่ารักลูกก็เหมือนเชือกผูกคอรักสามีภรรยาก็เหมือนปอผูกศอกรักทรัพย์สมบัติภายนอก ก็เป็นห่วงผูกข้อเท้าถ้าผู้ใดติดอยู่ห่วงสามห่วงนี้แล้วก็ย่อมจะกระดิกตัวไม่ไหวไปไหนไม่รอดแน่จะต้องติดอยู่ในโลกนี้เองสิบเอ็ดทรัพย์ภายนอกทั้งหลายนี้ถึงแม้เราจะสละออกจากใจแล้วเช่นบุตรภรรยาสามีหรือทรัพย์สินเงินทองก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่กับเราเองถึงจะยึดถือไว้ หรือปล่อยวางเสียก็ยังคงมีอยู่เช่นนั้นใช่ว่าเราสละไปแล้วจะได้รับความเสื่อมหรือเจริญด้วยการบริจาค ก, ก็หาไม่ถ้าใครมาคิดได้เช่นนี้ก็จะได้เปรียบมากเป็นจาโคปเตนิสักโกสิ่งใดที่เรารักมากก็เป็นศัตรูแก่เรามากสิ่งใดที่รักน้อยก็เป็นศัตรูแก่เราน้อยสิ่งใดที่เราไม่รักเลยก็เฉย เมื่อเราทั้งหลายพากันบริจาคซึ่งทรัพย์ภายนอกโดยวางใจเป็นของกลางเสียก็เท่ากับนำทรัพย์นั้นไปฝากพ่อแม่ไว้แล้วพ่อแม่จะมาเก็บค่ารักษาเอากับลูกได้อย่างไรมีแต่จะต้องหาผลประโยชน์มาให้เมื่อใครสะละในบุตรภรรยาหรือสามีของตนก็ตามบุตรภรรยาสามีนั้นก็ยังคงมีความดีเสมอภาคกัน เขาจะเจริญหรือเสื่อมเพราะการที่เราปล่อยวางหรือยึดถือก็หาไม่เหตุนั้นเราจึงควรพากันบริจาคทรัพย์ของตนบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เสียเพราะเมื่อบริจาคไปแล้วเราก็จะต้องได้กาไรอยู่เป็นนิดสิองการบริจาคอย่างนี้เรียกว่าทําทรัพย์ดิบให้เป็นทรัพย์สุขสิ่งใดที่นําไปฝากพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้น ก็เป็นของสุก ข, ของที่อยู่ใต้ต้นไม้ในเบึงในหนองยังไม่ได้ถูกเพลิงก็คือของที่เก็บไว้ในตนเท่ากับของนั้นยังเป็นของดิบอยู่เมื่อใดได้บริจาคเป็นฐานแล้วนั่นแหลจึงจะเป็นของสุกได้เหตุนั้นจึงควรยังความบริจาคให้เกิดขึ้นในใจของตนการงอกเงยของวัตถุดิบนั้นย่อมไม่เหมือนของสุกเพราะเมื่อความงอกเงย มีอยู่ส่วนความเสียหายก็ย่อมจะต้องมีอยู่ในตัวของมันเองด้วยเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดเสียก่อนออกผลชีวิตเราถึงจะเจริญไปในโลกแต่ก็จะต้องถูกทําลายเสียบางกล่าวก็เสียไปเพราะเพื่อนเพราะสามีเพราะภรรยาเพราะบุตรชายบุตรสาวความเจริญแห่งทรัพย์ก็ดีเมื่อยังเป็นของดิบอยู่ก็ย่อมยังความเสื่อมและยังภัย ให้เกิดขึ้นแก่ตนได้เหตุนั้นจึงควรยังจาคะบ ร, รมีให้เกิดขึ้นในจิตใจสละทรัพย์ภายนอกเหล่านี้ไปบูชาพระศาสนาเสียเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นบุคคลที่จะยังความสุขในสัตว์โลกทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังของตนฉะนั้นเมื่อใครเห็นดังนี้แล้วก็ควรทาทรัพย์ของตนให้เป็นของสุขเสียจะได้ไม่เกิดความเสียหาย อย่าเก็บหวงแหนไว้กับตนเพราะมันย่อมจะไม่ปลอดภัยได้ถ้าเราบริจาคให้เป็นประโยชน์แก่พระาศาสนาก็เท่ากับเรานำเงินไปฝากไว้ในธนาคารเราก็จะได้ดอกเบี้ยทุกวันคือดวงใจก็ผ่องใสแม้ตายก็จะได้ไปสวรรค์อย่างนี้แลเรียกว่าจาคะบรารมีย่อมจะยังความสำเร็จให้เกิดในกระแสโลกและกระแสธรรมได้ 13. จากคะชนิดที่สองได้แก่สละวัตถุภายในคือหนึ่งสละเวลาสองสละอัตภาพอันเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความดีทั้งหลายเช่นวันพระเราก็มาตั้งใจสมาทานสินห้าสินแปแสวงหาปัญญาความรู้สดับพระธรรมเทศนาเราควรจะคิดคำนวณดูว่า ปีหนึ่งมีสิบสองเดือนเดือนหนึ่งมีสามสิบวันวันหนึ่งมีกลางวันสิบสองชั่วโมงกลางคืนสิบสองชั่วโมงเราควรจะทำความดีได้เท่าไหร่ในวันหนึ่งเดือนหนึ่งและปีหนึ่งจึงจะไม่เป็นการปล่อยเวลาของชีวิตให้ล่วงไปเปล่าทางราชการเวลานี้รัฐบาลท่านก็ยังอนุญาตให้ข้าราชการปีวันหยุดทางาน ในวันพระเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันทั้งนี้ก็เพื่อให้โอกาสแก่คนทั้งหลายที่จะได้ประกอบความดีในทางธรรมอันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติป้านเมืองให้ทวียิ่งขึ้นเท่ากับท่านหาที่ว่างไว้ให้เราสําหรับปลูกอาคารสงเคราะห์หรือเพาะปลูกพืชพันธุ์ัญญาหารซึ่งจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตน แต่คนสันดานต่ำก็กลับไปปลูกองมีพิษลงในที่ว่างนั้นเลยกลายเป็นการยั่งความทุกข์ให้แก่ตนและผู้มีคุณด้วยเช่นเอาวันว่างไปตั้งบอนไพ่เล่นการพนันเป็นต้นอย่างนี้ก็ย่อมยั่งความเดือดร้อนให้แก่ตนและเจ้าพนักงานด้วยบางทีก็ถือโอกาสไปเที่ยวยิงนกตกปลาดูหนังดูละครอันเป็นทางที่นำบาปและความหายณนะ มาสู่ตนเองก็มีเหตุฉะนั้นในวันพระแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำเช่นนี้จึงไม่ควรละโอกาสอันดีเสียควรพากันไปวัดไปว่าบำเพ็ญทานศีลภาวนาหาความดีไว้ใส่ตนและไม่ควรกระทำสิ่งอันจะยังความเสียหายให้เกิดขึ้นในวันนั้นๆเลยถ้ามิฉะนั้นแล้วตนก็จะไม่ผิดอะไรกับคนที่จับปู จับปลางมกุ้งงมหอยซึ่งเนื้อตัวหน้าตาก็จะมีแต่โคลนเลนเปียกน้ำเปียกท่ามอมแมมมจนมองไม่เห็นลูกตาดำตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันคนประมาทย่อมหาเวลาสำหรับทำความดีไม่ได้จะไปวัดไปว่าก็ อ, อ้างว่ายังไม่มีเวลาเวลานั้นจะไปหาให้มากกว่า12ชั่วโมงจะไปหาที่ไหน หมายถึงเวลาทำงานเหตุนั้นถ้าใครเป็นผู้ไม่ประมาทก็ควรบริจาคเวลาของตนบำเพ็ญบุญกุศลเสียบ้างผู้นั้นก็จะเท่ากับได้ที่ว่างมาหวานพืชพันธัญญาหารยังพืชให้เกิดแก่ตนยังผลให้เกิดแก่คนทั้งหลายพื้นที่ว่างของตนก็จะฟ้างขวางขึ้นเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยังความสุขความเจริญปกคลุมไปถึงกุลบทกุลธิดากุลบทกุลธิดานั้นก็จะกลายเป็นคนดีตามไปด้วยแล้วผลก็จะต้องขยายตัวแผ่กว้างออกไปทุกทีเช่นครอบครัวหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรก็จะขยายต่อไปถึงหลานสี่คนหลานก็จะขยายออกไปถึงเหลน8ดคนเมื่อความเจริญขยายจากบ้านมากขึ้นมากขึ้น ก็จะแผ่ออกมาเป็นความเจริญของหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอและจังหวัดจนขยายไปถึงส่วนภูมิภาคทั้งหลายด้วย 14. จกาคะตัวที่สามคือสละกิเลสซึ่งจะมีขึ้นภายในจิตในใจของเราอันใดเป็นกาละธรรมที่จะนำความทุกข์และโทษมาให้แก่ตนและคนอื่นก็จงละเสียอันใดเป็นสุกกะธรรม ที่จะนำความสุขความจเจริญ ม, มาให้ก็จงทำให้มากจงพาการเสียสบะตัวกิเลสของใจอันจะเกิดขึ้นจากทางกายวาจาตาหูจมูกลิ้นบุตรภรรยาสามีและทรัพย์สมบัติอย่าให้มันมีขึ้นสิ่งใดที่เป็นศัตรูแต่ศีลธรรมก็ควรบริจาละเสียอย่าเข้าไปใกล้สิ่งใด ที่จะเป็นผลสําเร็จอันดีแก่ศีลธรรมก็จงพากันบําเพ็ญเช่นตาของเราแทนที่จะใช้ไปดูละครโขนหนังเราก็พากันสละตาไปบูชาพระเสียกล่าวคือไปวัดไปวาได้พบเห็นรมณะชีพรามอันเป็นสิริมงคลหูของเราที่จะคอยแสหาเรื่องเดือดร้อนเราก็พากันแสใสยไปฟังเทศฟังธรรมเสีย เพื่อชำระโทษทุกข์ของตนให้กลับเป็นบุญกุศลจะหมูกที่ชอบจะดมแต่ของหอมหอมเราก็น้อมไปถวายเครื่องบูชาคันธารมเสียปากที่เคยพูดโปรยประโยชน์เราก็มาสวดมนต์ภาวนาเสียปัสสะที่เคยชอบนั่งชอบนอนบนเบาฟูกที่อ่อนนุ่มสุขสบายเราก็พากันไปนั่งนอนอยู่ที่วัดซึ่งเป็นสถานที่ลำบากแก่ร่างกาย เสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินไปอยู่ในที่บำเพ็ญตบะคือเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเมื่อทำได้อย่างนี้สิ่งที่จะเป็นศัตรูแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ย่อมจะหายไปบุญกุศลที่จะเกิดมีขึ้นวันพระเราก็ถวายตัวราคะโทสะโมหะบูชาพระาศาสนาเสีย กิเลสตัวที่หนึ่งก็ถวายพระพุทธตัวที่สองก็ถวายพระธรรมตัวที่สามก็ถวายพระสงฆ์ควรพากันเสียสละไปถวายให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเสียให้หมดและจงพากันเคารพเวลาโอกาสและสถานที่อันใดที่จะไม่ควรเกิดก็อย่าให้เกิดจงพากันสะกดกายวาจาใจของตนไว้ให้อยู่ อย่าให้มันพังทลายความโกรธโลภหลงมันอยากจะเกิดขึ้นก็อย่าให้มันมาเกิดในวัดในวาดังนี้แหละเชื่อว่าเป็นจาคะะประมัศนบารมีอันเลิศใครทาได้อย่างนี้ก็เรียกว่ากรร ม, มัฏสกตาศรัทธาเป็นคนเชื่อกำลัส่วนผลก็ย่อมจะเกิดตามมาเพราะเมื่อเรามีแผ่นดินดีมีพืชดีผลก็ย่อมจะต้องดีตามมาด้วย พืชใดที่หว่านลงไปในปัตภีก็จะเป็นผลแก่บุคคลนั้นๆที่ท่านกล่าวว่ากรรมดายาโดบางทีก็ให้ผลในชาตินี้บางทีก็ไปให้ผลในชาติหน้าหรือในเวลาที่จวนจะตายก็มีเป็นต้นว่าปิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ที่เราได้พาการปฏิบัติท่านมานั้นถ้าท่านมาแลเห็นลูกของท่าน หรือลูกศิษย์ของท่านทุกยากอับจนเข้าท่านจะทนได้ที่ไหนเมื่อจำเป็นเข้าแล้วควรหอบก็ต้องหอบควรหาบก็ต้องหาบควรจูงก็ต้องจูงหรือควรจะช่วยอย่างไรก็ต้องทำได้ทั้งสิน้นถ้าเราไม่ทำคุณงามความดีต่อท่านแล้วก็ย่อมไม่มีใครเหลียวแลท่านก็จะพากันหันหลังหนีเราหมดสิบห้าบุคคลใดทาความดี ที่เป็นกามาวจรกุศลก็ยังผลให้บุคคล น, นั้นไปเกิดในสวรรค์ถ้าเป็นรูปาวจรกุศลก็ยังผลให้เกิดในพรหมโลกเทวดาได้แก่การบำเพ็ญสมถ ก, กรรมฐานถ้าใครมาบำเพ็ญได้อย่างนี้ก็จะยังดวงจิตให้ก้าวไปสู่กระแสธรรมกล่าวคือโลกุตระใครมาเจริญทานศีลภาวนาอยู่เสมอเป็นนิด เมื่อแตกดับไปก็จะได้ไปเสวยผลในพรหมโลกยังจิตให้เกิดความสุขและผ่องใสถ้าใครมาเบื่อหน่ายในโลกหลังและโลกหน้าพากันเจริญสมถะกรรมฐานตัดเสียซึ่งสัญญาอาติตารมและอนาคตารมก็เปรียบเหมือนกับปิดทํานบเสียให้น้ำใสมาตั้งสติกำหนดอยู่ในปัจจุบันธรรมวิตกวิจารณ์ในกรรมฐานของตน ก็จะยังความปิติให้เกิดขึ้นในดวงใจยังความสว่างสวัยให้แจ่มแจ้งเหมือนกับดาวเดือนบนท้องฟ้าผู้นั้นก็จะมองเห็นในสังขารธรรมทั้งหลายและสังขารโลกทั้งหลายว่าเป็นของไม่แน่นอนเพราะความสรรเสริญในโลกก็จะต้องสลายมียศก็เสื่อมยศมีลาบก็เสื่อมลาบมีสุขก็เสื่อมสุขขึ้นเที่อวว่าสังขารแล้ว ก็จะต้องเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ทั้งสิ้นคือจะต้องตกไปอยู่ในความจริงของเขาคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาร่างกายก็เป็นสังขารธรรมใจก็เป็นสังขารธรรมตาหูจมูกลิ้นก็เป็นสังขารธรรมใครไม่ยึดถือในรูปในนามไม่ยึดถือในการกระทําไม่ยึดถือในเหตุผลก็จะหลุดไปจากกรรมและวิบาก ไม่มีการยึดในสิ่งซึ่งเป็นเหตุไม่มีการยึดในสิ่งซึ่งเป็นผลก็จะถึงซึ่งวิราคาธรรมซึ่งเรียกว่านิบ바นังปรมังสุขขังใจก็จะร่มเย็นเป็นสุขเหตุนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรจะน้อมนำไปโยนิโสมนสีการแล้วพากันละเสียซึ่งความชั่วกระทําแต่ความดีผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขกเกษมสําราญ สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่กาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนี้ ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม24สิงหาคม2500หนึ่งธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกถ้าโลกปราศจากเสียซึ่งธรรมะ ก็ย่อมจะหาความสงบไม่ได้บุคคลใดหมู่ใดกลุ่มใดและคณะใดก็ดีถ้ามีธรรมะประจำใจอยู่ก็เปรียบเหมือนต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่ในน้ำในบึงในซอกเขาหรือกลางทุ่งนาและมีฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอถ้าบุคคลใดหมู่ใดกลุ่มใดหรือคณะใดขาดเสียซึ่งธรรมะไม่มีความดี นิยมแต่บาปและโทษแล้วก็เปรียบเหมือนต้นหญ้าในฤดูแลง้งซึ่งนอนตายอยู่บนพื้นดินย่อมไม่มีอะไรจะดึงดูดหัวใจประชาชนให้นิยมนับถือและรักใคร่ได้ก็มีแต่จะถูกเขาเหยียบย่ำและโกยไปทิ้งได้รับแต่ความทุกข์และความเสื่อมเท่านั้น 2. คนที่มีธรรมะประจำใจหรือคนที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลเปรียบเหมือนต้นไม้ ที่มีดอกสวยและกลิ่นหอมชื่นใจใครๆก็อยากเข้าใกล้และคบหาสมาคมด้วยส่วนคนที่ประกอบไปด้วยความชั่วเป็นบาปอากุศลก็เปรียบเหมือนดอกไม้บางชนิดซึ่งบางทีดอกก็สวยแต่มันมีน้ําและบางทีก็ไม่มีกลิ่นหรือบางทีก็เหม็นเลยทีเดียวก็มีฉะนั้นคนจึงรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ 3. ทํา เปรียบเหมือนกับแสงไฟปกติมันย่อมมีแสงสว่างอยู่ในตัวของมันเสมอดวงใจของเราเปรียบเหมือนกับโะตะเกียงแม้แสงไฟนั้นจะสว่างสัดเพียงไรแต่ถ้าเรานำโปะที่ขุ่นมัวเต็มไปด้วยขมเมาไม่ได้ขัดล้างไปครอบลงแล้วก็ทําให้แสงไฟนั้นมืดมัวไม่สามารถส่องแสงสว่างออกมาภายนอกได้ฉันใดดวงใจของเรา ถ้ามีความชั่วเป็นหมอกมืดปกปิดอยู่ก็ไม่ผิดอะไรกับโป๊ะตะเกียงที่มีขเมเหลาจับบุคคลนั้นถึงจะบำเพ็ญความดีแต่ก็ไม่สะอาดเพราะดวงใจของเขายังมีมนทินติดอยู่ก็เหมือนกับขเมเหาที่จับอยู่ภายในโป๊ะตะเกียงฉันนั้นสี่อันหนึ่งบุคคลควรรู้จักสถานที่ซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลด้วยเช่นเราก้าวเข้าไปในวัดวาอาวาส ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่พักอาศัยของสำนัชีพราหมณ์เช่นนี้เมื่อเรา เ, าเข้าไปเราจะต้องทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องชำระกายวาจาของตนให้สะอาดทั้งภายนอกก็สาเนียกให้เป็นบุญเป็นกุศลภายในใจก็ต้องให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยพร้อมกันทั้งสองประการเราจึงจะเป็นคนสะอาดสมควรแก่สถานที่นั้นๆ น, น ซึ่งเป็นสถานที่สงบหความสงบเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดความสงบความไม่สงบเป็นความสุขชั่วแล่นอึดใจเดียวเท่านั้นแต่ความสงบเป็นความสุขที่ยืดยาวถ้าสถานที่ใดปราศจากความสงบแล้วกิจการทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะอํานวยผลดีให้บังเกิดขึ้นได้เช่นเราจะต้องการเขียนอ่านหรือท่องหนังสือเช่นนี้ ถ้าสถานที่นั้นไม่มีความสงบแล้วก็เป็นการยากที่สุดที่เราจะกระทํากิจการนั้นๆได้ฉะนั้นความสงบจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งซึ่งเราจะต้องพากันประกอบให้มีขึ้นทั้งภายนอกและภายในหที่ท่านกล่าวไว้ในโอวาทปาติโมกว่าอนูปวาโดอนูปคาโตปาติโมกเคจะสร้างวโรมัจจ ah ัญยุตาจะผัดตาสมิง ปันตันจายนาสนังทั้งหมดนี้เป็นตัวธรรมทั้งสิ้นส่วนเรื่องราวที่จะพูดหรืออธิบายข้อความเหล่านี้เป็นตัวปริยัติธรรมฉะนั้นส่วนใดที่ควรจะสำเนียกให้เข้าใจในเรื่องของธรรมะแล้วก็ควรพากันสนใจเจ็ดร่างกายของคนเรานี้เปรียบเหมือนกับตุ่มดวงใจก็เปรียบเหมือนกับน้ำส่วนกิเลสท่านเปรียบเหมือนกับตะกอน ถ้าเรานำสารส้มมาแขวนลงในน้ำตะกอนทั้งหลายจะมารวมกันเกาะเป็นก้อนอยู่ข้างๆหรือก้อนตุ่มทำให้น้ำนั้นใสสะอาดดีขึ้นฉันใดธรรมะก็เปรียบเหมือนกับสารส้มที่จะทำความสะอาดให้แก่จิตใจคนได้คือเมื่อเราได้พากันมาสนใจศึกษาในธรรมะแล้วก็นำไปไตรตรองพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ตนธรรมะ ก็จะเข้าไปกลั่นกรองความชั่วของเราซึ่งเป็นตัวกิเลสให้มารวมเป็นตะกรอนนอนอยู่ได้ฉันนั้นถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วถึงเราจะไปโกรธมันก็ไม่โกรธถึงเราจะไปเกลียดมันก็ไม่เกลียดถึงเราจะไปหลงมันก็ไม่หลงแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ในสันดานเหตุนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องบําเพ็ญความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก เพื่อขับไล่ตะกอนให้ออกไปพ้นจากตุ่มได้ 8. ความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็คือการทำดวงใจของเราให้เกิดความสงบดวงใจที่สงบย่อมเกิดคุณภาพขึ้นในตัวของมันเองเหมือนกับน้ำที่อยู่นิ่งๆก็ย่อมยังความใสให้เกิดขึ้นคนคนหนึ่งมีความสำคัญอยู่ในตัวสามสิ่งคือตาหูและปาก ที่พูดถึงในส่วนกายส่วนนามธรรมาก็มีความสําคัญอยู่สิ่งหนึ่งได้แก่ใจในส่วนสําคัญเหล่านี้แหละมักเป็นเหตุที่จะนําความไม่สงบมาให้ฉะนั้นยาพิษยาเบื่อยาเมาเหล่านี้ท่านจึงสอนว่าอย่า ก, กินมันเข้าไปถ้ารู้สึกตัวก็ให้รีบขายเสียไม่ฉะนั้นมันจะให้โทษตาหูและปากของเราสามอย่างนี้ต้องสํารวมระวังให้มาก ตามันก็ชอบไปหาเรื่องหูก็ชอบไปหาเรื่องและปากก็มักพูดในสิ่งไม่ดีการพูดดีนี้ก็ต้องเป็นผู้มีวิชาคือปัญญาคนใดมีวิชาแล้วแม้จะกินของดีก็ไม่มีโทษกินยาพิษก็ไม่ตายคนธรรมดาสามัญเหรานี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีวิชาบุคคลสำคัญผู้ทรงคุณวุฒิสามประการคือปุกเบนิวาสญาณ จุตูปปาตยานและอาตวัคยายานเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาเหตุฉะนั้นคนใดที่ไม่มีวิชาก็ควรจะต้องระวังรักษาตัวให้มากเพื่อจะได้รู้ว่าส่วนใดเป็นบุญส่วนใดเป็นบาปเก้าการระวังรักษาตัวนี้ก็คือ 1. รักษาความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น 2. รักษาของดีไม่ให้ตกหล่นส ใช้ความดีให้เกิดประโยชน์การพูดดีย่อมยังความสงบถ้าพูดไม่ดีก็ยังความเดือดร้อนวุ่นวายการกล่าวไม่ดีนั้นเท่ากับคนที่กินยาพิษเข้าไปย่อมให้โทษทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะคนเหล่านั้นใจย่อมประกอบด้วยโกรธโลภหลงอยู่เมื่อพูดไปด้วยกิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกับปลากัดที่คนเขาเอายาพิษโรยลงไปในอ่างน้า เมื่อตัวหนึ่งไปกัดอีกตัวหนึ่งเข้าอยาผิดนั้นก็จะแล่นซึมซาบต่อๆกันไปจนในที่สุดก็นอนตายลอยเป็นแพรอยู่ในอ่างนั่นเองฉันใดการพูดไม่ดีก็ย่อมให้โทษแก่ตนและคนอื่นเช่นเดียวกันดังนี้เหตุฉะนั้นเมื่อใจของเรายังประกอบด้วยโกรธโลภหลงอยู่แล้วต้องระวังยับยั้งรักษาการพูดให้ดีสิ่งใดจะควรกล่าว สิ่งใดไม่ควรระวังอย่างนี้เรียกว่าสัมรวมความดีของตนให้ดีอยู่และขจัดความชั่วให้หายไปหูก็ต้องระวังให้ดีบางทีเขาพูดดีแต่เราฟังเป็นไม่ดีไปก็ได้บางทีเราพูดดีแต่เขาฟังไม่เข้าใจก็มีเช่นนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับเป่าปีใส่หูกายย่อมหาประโยชน์อันใดมิได้สิบการอยู่รวมกันเป็นหมู่มาก เป็นกลุ่มเป็นคณะนั้นก็ย่อมจะต้องมีเสียงหลายๆอย่างกระทบกันถ้าจะเปรียบแล้วก็ไม่ผิดกับวงพินพาดหรือวงดนตรีซึ่งจะต้องมีทั้งเสียงปี่เสียงคล้องเสียงระนาดและเสียงก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างถุ่มบ้างต่ําบ้างสูงบ้างถ้ามันเป็นเสียงเดียวกันไปหมดก็ย่อมจะไม่มีความสนุกเลยเพราะพินพาดเสียงเดียวนั้นคงไม่เกิดความไพเราะเป็นแน่ชั้นใด คนที่อยู่รวมกันมากๆก็ย่อมจะต้องมีเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นในหมู่คณะฉะนั้นจึงให้รักษาใจของเราไว้อย่าให้ไปโกรธเกลียดพยาบาทในเสียงที่ไม่ดีเพราะเกลียดมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นโกรธเมื่อโกรธมากๆเข้าก็อาจกลายเป็นพยาบาทและเมื่อมีการพยาบาทเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะเป็นเหตุให้ถึงทะเลาะวิวาทและก่อความไม่สงบขึ้นเหตุนี้ จึงควรแผ่เมตตาในคนทั้งหลายตลอดทั้งคนเบื้องสูงท่ามกลางและเบื้องต่ำคนชั้นต่ำนั้นถึงเขาจะแสดงมันญาติที่ไม่พอใจให้ปรากฏในทางกายหรือทางวาจาก็ดีเราก็ควรให้อาภัยเสียทำได้เช่นนี้ความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่ตนและหมู่คณะนั้นๆได้สิบอ็ดวงจิตของคนเรานี้ไม่ใครจะมีเวลาได้พักผ่อนหรือหยุดทางานเสียเลย ทุกคนต่างก็มีเรื่องที่จะคิดไปนึกไปดูเหมือนเกิดมาตั้งแต่รู้ความก็คิดกันมาเรื่อยไม่มีเวลาหยุดเรียกว่าดวงจิตมันขยันจนตายนั่นแหละแต่ถ้าความคิดนั้นตกไปในทางชั่วแล้วก็ไม่มีคุกตารางจะใส่กันทีเดียวถ้าร่างกายมันขยันอย่างนี้บ้างก็ต้องร่ํารวยเป็นเศรษฐีตามกันหมดจิตที่ไม่มีเวลาพักย่อมเป็นจิตประกอบไปด้วยนิวรน จึงเป็นจิตที่ไม่สงบเหตุนั้นท่านจึงสอนให้เรามาเจริญสมาธิภาวนาให้ละกามวิตกคือปิดทวารทั้งหกสียอย่าไปเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่ง ใ, ใดๆทำใจของตนให้ตั้งเที่ยงอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอย่าให้มันตกไปในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสซึ่งเป็นวัต ถ, ถุกรามอย่างหนึ่งสองกิเลสกามคือ บางทีเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่บางครั้งก็เป็นไปตามที่นึกเราก็เกิดความชอบเพลินไปบางทีไม่เป็นไปตามที่นึกเราก็ทักเป็จะงดหจิดไม่ชอบใจนี่ก็เป็นตัวราคะโทสะอย่างหนึง่งสโมหะคือความหลงนั่งอยู่ก็ลืมตัวเผลอตัวดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้นี่ก็เป็นเหตุให้ดวงจิตตกไปในความมืดดําคือ ตกไปในบาปอกุศลนั่นเองความพยาบาทนี้เกิดจากสัญญาอาดีตบางทีก็อยากแก้แค้นเขาทําร้ายเขาเป็นตัวจดตัวจําตัวเอาชนะนี่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนทั้งสิ้นที่เลสสามตัวนี้เป็นรุ่นฟืนใหญ่ที่เราจะต้องพยายามปัดออกให้หมด 12. สติสัมปทัญญะเป็นตัวพุทธคุณความร่มเย็นเป็นสุขเป็นธรรมคุณ รักษาความเย่นไว้จนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งหมายความว่ารักษาความดีนั่นไว้จนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในดวงจิตของตนหรือความดีทําให้มีมากขึ้นนั่นเป็นตัวสังคคุณเมื่อเราทําความดีมากขึ้นจนกลายเป็นก้อนได้แล้วก็ย่อมสามารถจะหยิบยกความดีก้อนนั้นไปใช้ทําอะไรอะไรได้สาเร็จตามความปรารถนาจะกล่าววาจาใดก็เป็นผลสาเร็จจะทาอะไรอะไร ก็เป็นผลสาเร็จความดีอันนั้นก็จะเป็นประดุษก้อนแก้วสารพัดนึกใครมีไว้ก็จะยังความสุขให้ได้ทุกสิ่งทุกประการได้แสดงมาโดยย่อก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้